Book 2ูหกสิบออนน์เดลำดับเลขเวอร์สต ni นีสเทอเนกเดือนแรกคือเดือนมกราคมพ r หิเมยยานูร เดือนที่สองคือเดือนกุมภาพันธ์ f e b r u a r เดือนที่สามคือเดือนมีนาคม m a r c เดือนที่สี่คือเดือนเมษายน (April) เดือนที่ห้าคือเดือนพฤษภาคมแ e t y m ม s e t เยี่ยมายเดือนที่หกคือเดือนมิถุนายนช h a s t y m i s e เ ย, ยี่ยยุนีหกเดือนคือครึ่งปีช h i s t y m i s e t o เ, เออย่ปูลิตา มกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมยนันนัร์เฟบ ร, วรัวร์มาเรเมษายนพฤษภาคมและมิถุนายนอปริลไม้อินยูนเดือนที่เจ็ดคือเดือนกรกฎาคมเซดม e เมเซสเยยลี เดือนที่แปดคือเดือนสิงหาคม a u g ี s มเดือนที่เก้าคือเดือนกันยายน September เดือนที่สิบคือเดือนตุลาคม o c t o อร r เดือนที่สิบเอ็ดคือเดือนพฤศจิกายน nice yeah November. เดือนที่สิบสองคือเดือนธันวาคมสิบสองเดือนคือหนึ่งปี เลตตร์กรกฎาคมสิงหาคมกันยายนยูลียออกรุสต์เซปเทมเบอร์ตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมออโตเบอร์โนเวมเบอร์อินเดซเซมเบอร์